ข่อยมหนัเอาีกตัวเป็นหนังจำบอยรามโศรามอยังมันหโอ้ยข่อยปล่อยย่ำขึ้นตอวเมียบัดย่ำเว้นข่อยจังคอยลามบัดีิข่อยเลื่อมข่อยง่ายงกเบียงกงานมันเหตุงานหลหนาปวดเมีข่อยก็เลยเลื่อมซื้อข้าสาสิไหใจมันนันนักอัจฉริยคนเอาละเมียเศ้าเมียเล้าไปโอ้ใครแน่ละวบอ โอ้แค่น่ให้คอยถามเจ้าน่ี้เออมึงเอามาเากูเจอเออมันบอเอาห่อไม่ไม่นั่นนั่นอะอะไอ้ไมโอ๊ยประกอบนีวิวที่ำมึงลี่ิวประกอบการเตะซะมาปวดบ่าเขิน เน่าอย่างสันบันท่านในเศร้าอยู่เห็นว่าแรลนสากตะเล่านีเมีหมาก็ได่จะมันเป็นเพ่นเป็นตายละสามโต๊ดว่นี้มันโหจิยุท่างพุ่นกระหลายยู่งเมีเศ้าเมียหรเมียชันเศ้าเมีแล้วอยถามเจ้าเน่ถามหังล เจ้าไปจังไดแมอ้เจ้าไปจังไดมาจังไดเจ้าก็มาฮอดพี่แม่เจ้ามาอีหยังเจ้ามาอีหยังเจ้ามาอีหยังสนอกแม้โอ้ยโลกเอ้ยความจาเป็นของแม่แม่จังเดินทางออกจนลาครอบว่าค่อยสองบุตรตาค่อยแล้วก็ค่อยเป่าตัวแม่บอเห็นสองพวกเต่าไปย่าแม่จังมากตัวบักหลา เป็นอย่างลูกการอยากเน่าไรถ้ว่าไปทรงเข่าทรงหน้าแม่ตามขมันกันยาเด็กอาสมัป่ามาปล่อยแม่ทิมคือชะลูกคอยถามสั่นๆสมัตอบคอยเน่ากระดกะดอนโอ้ยนอเจ้านี่กระดายแม่ ข่เบาน้อยเดียวจ้กกะบีใส่ไข่่อยเมย์แม่ว่ได้เบรม่เีไปเอนั่นแหะเขาอึดบีนั่นนะเจ้าเจ้าบอกว่ามันเงียไปเองเราก็เจ้าบ่เฮ็ดนั่นนะเมย์มเอ้ยอันไข่กะมีความจำเป็นคือกันนั่นละเมยจำเป็นแลวไหนสำคัญกว่าแม่ิลูกเอาเจ้าก็นั่งสะกคอนฟังข่เบาสะก้อนได้แม่เนอแต่ว่าข่สงเกตดบ่งหน่ม่ อ่าหอบของมาพราุ่งเพราล่งเ่าแม่เจ้าขนมาเบิดบ้านปตติเมย์เต๋าเต่าจิมีอยู่แม่กัเจม้าเนี่ลูกป้าเจ้ามหาลูกหาเต่าหวังสิมาอยู่น้ำลูกน้าเต่าเลดตัวหนีนอจังสันตัวลูกของว่าสามเบิ่งลูกเบิ่งเมียเหลบรลอยเสียมไปอยู่น้ำ่างว่าเอาละเมขั้นแมว่าจังสันเจ้ากันนางเศร้ามีแห้งจักรกรนเดเมเนขั้นว่านางเศรามีแห้งแล้วจักตังอกตังใจฟังคนสีเบาห่าง ว่าเป็นอย่างติดข่อยว่ไดดไปเยี่ยมไปยามเจ้านั่นเจ้าฟังดีๆได้แม้ข่าสีว่าเหตุว่าผลในเจ้าฟังได้แม้ด้วยเบิ้งมีเนี่ยใดมันสำคัญก่อชีวิตแม่จะลูกเลบัดเนี้ละขาดลาเดิั้นตอนเนียน่า ีมันดาาวละจากแม่นาวหรือว่างหอนสีกุมภาแห่งกระเทื่ยงละและเป็นเกินเกินละเกิดจะมีแนวพองฟองกะเสมาฟาดบางนะเอาโยม่วยความตั้งใจว่าเสปเมฆขามบาง เงือปัทนานยุควงพวงอไม่ไม่ไงไคัดบอกไปนะและย่าย้ำเมื่อไก่ฟังแล้วเรือดปั่นเล้าพาโลโตัดทางสิลอยปั่นห่วงใหญ่ไล่นอนนะละสาลโวกดเจ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 ตนบ่ได้แนวเคย์มันยังกลิ่นคาละละกะเปลนใจพนลายากบป่อตาตั้งสองกำละละกันเม่มาอยู่น้ำยานมันเป็นกือก้นบ้าเลยมวนตั้งดอกบ่าเวียนคิดหลายโออโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โก้โอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โ้อ ลงละโลว่าไม่มัดบุงวังมาเพื่องะบาดลามีแต่เต็มเตี่ตั้งเอาโหลดปวดในดอกใต้เตินลละแล้ววางปสนสัพพันให้ละมันดาในเก้าไตละมอดจังไร อาตมากัดก่อนซ้ำสับอันหางระวังกลางลังไหกันเนื้องะไยากสิดไปก้าวอัางจะทันตัวพลายยังโอ้ยกา ปอตามาร้องรับซอยประกองมานาใบนะเต้านกเปัดและยานหอดกินใจนอเมียนยานะมอดกินใจเอ๊ะเมียนเปี้ยวเลยสถานคิดบ้องหันนะไล่กันนึงนั่นก็ยานโกลังก้าวดอกจากข่ายนะลังวนจิตไปโกงเป็นจริงเบนเก้าวขันแต่เก้าเกียร เพิ่นนั้นมาเอาเม่ยมาอยู่กับลูกไปซ้ำเอาหาไปหาเพียนะและอันนี้ดีคุณโยมจังสั่งใจดอกกลงใดนะและตาสิ้นใจยังเต็มรอย่อยเคยวานกลาเป็นเพื่อนนะและบอกให้เมียไ็น อาสาวผู้นองผูกกองเปลี่นดอกมังมู ล่ะเมอเอ้ไปลูกลาปุ่นตออคุณเม่ลูกบ่อน้ำอย่าว่าจํามันได้จากนี้ดอกคือว่าอมล่ะเมอผมเอ้กันม้วนมั่งดอกกองเทาล่ะเงินตั้งหลังกับองเทาเงินกํำไฟบอกการปอนนะลังให้เม่ไปสาธุ Ya manon kan u l a m kanam koi, l a d u lam i lam m ดัแม่อยู่บ่อแผลแต่หันอยู่มีปัญหาแม่ทั้งที่ดีนั่นแม่เอ๋ยเจ้านั่นมาทั้งใดเจ้ากะกลับไปทังนั้นเสมอขั้นเจ้าบ่ขึ้นไปบ้านเจ้าก็ไปทั้งนาไปหาลูกสาหลาผูสือมัณฑลกาสโตรเมเดอโสบ่มีปัญญาให้อยู่น้ำยกขืนอย่างเข้าใจบ่ละแม่เพราะฉะนั้นว่งเหตุวังผลของเข่าของคอยแล้วเจ้านั่นเข่าอกเข้าใจ ขั้นว่าเข่าอกเข่าใจเหตุผลของลูกของเต่าแล้วว่าลูกเต่ามันลาบากลําบ่นบันไดขั้นเจ้ามาอยู่นั่นในช่วงนี้อขั้นว่าเห็นตาเจ้าขอัญคดีอกดีใจอยู่ดอกเมรแต่ว่าเจ้าก็มาว่าถือไว้ลาเวลาเพราะฉะนั้นเจ้าเก็บเอาสิ่งเอาของบอกขึ้นไปบ้านจะไปหาอีมั่นลิกาสเตอร์เมเดอร์เอาลูกลูกลูกลูกลูกเป็นอย่างไรเราจังสันเรกเลย เอาบัดเจ้าว่าเจ้ากบวาข้างยากจนบ่มีเวลาเวลาจะไปยำยาำทำข้าวแมรนั่นขันเจ้ายากอิหลีแม่กบว่าดอกกับบ้นยากเจ้าวาเป็นอย่างละลูกเมื่อนี้แม่มังอาจเจ็ดเป็นอย่างเจ้าจังไบหนีโอเมื่อเนี่ยเออบ้าไบหนีจังไหนเม่บ้าบอกเจ้าออกไปจังไหนพวามเมื่อนี้ อ่าพอเถ่าเม่เถ่าลูกกับเมียกับปอยู่บ้านอยู่เฮือนบาดนี้คอยอยู่บ้านอยู่เฮือนทูเดียวสันดิเม่เจ้าของบ้านเจ้าของเฮือนเขาปอยู่เฮ่นเศรษฐีนะกฎระเบียบมันแหงหลายเม่เพื่อนตั้งคนตั้งระเบียบมาว่าจังสั่งจังซี่เท่าต้องประพฤติปฏิบัติตาม พราะนั้นเมื่อเจ้าของบ้านเจ้าของเงื่อนเพื่นนพอยุเจ้าสีมาเขามาหนมันกับเปลียนไปบ่ดดอกเมรพราวะบท่านได้รับอนุญาตจากเพื่นโอ้พระว่าอล่าบัท่านไหนรับอนุญาตจากเพื่อนคอยกระยันเขาวาไก่สันตว์เมร์เมรกับ่แมชู้ื่นไก่ก็รู้เอาก็หังบาดอกกว่าเป็นเมรนี่ละเม พ่อแถวแม่แถวบอยู่เม่นลูกเมียกับบอยู่จังสันขั้นบานสีมาอยู่กับแม่อยู่บอได้เพราะท่านได้รับอนุญาตจาเพราะว่ายังไม่ขออนุญาตจากเพิรนเขาอกเขาใจลูกเต้าเด้อแม่เด้อจังสันบานน้องยกไก่บอลาบอไก่ดอกแม่ที่อันไปจังสัน ขนบ่กไก่เอาจังสิซ้าเอาวะขลูกเต่าล่ำบากใจหลายแม่ก็บ้อยเอาใจล่ำปากใจหอกแม่สิไปหาน้องคนดอกก็ไดบอกว้ายังไงจังสิก่อนเดินบักด่านแทงเข่าแทงน้ำแม่แม่กินแน่ลูกแม่บอท่านกินเข่าเศรายูกินเข่าแล้วมีเงินค้ามกำเกลียวผาผ่อนทนสบายมี ข้าวสารอาหารเนี่ยมีเพลือเกลือะปรารมีเนี่ยไงมะลากระเจงหอให้แม่สรุกแม่ก็บจีบไปหานองดอกลาซ้ำหนักหลายลูกแจ่มจะมันกีบคำแจะแม่มาถามเอาถามเอาประหลาดอาหารถามั่งก็ไม่ให้ทีแม่เจ้าจะมาซั่งเอาอันนั้นั่งเอาอันนี้เท่าไหแม่เสิมาเอาจังไงเนาะแม่ อันเงินข้ามกาแก้วผ่าพรท่อนสบายนันเมเขาน้ำสร้างฟ้าน่าแม่แต่เขานันจีมากกินจังใดเพราะว่าตะค่อยกับว่าท่านได้กินอ้าก็พาะดีตลูกแตงอมากกินพรอมลนะเอาซี่กินจังไหนเนาะแม่หอยไปขิดไปกินมากโอ้บัดใดที่เพราท่านได้กินเพราะว่าไข่เพราท่านได้หนึ่งเข่าสเน่ตอนี้เพราะท่านหนึ่งเข่าแม่ บ้านหนึ่งกับบานยากใจใหญ่ลูกอืมเังไหนหงเอาข้าวยอมแม่รอดใหญ่ลูะหงเอาลูกสมมึติแต่ที่ไนแม่หงเอาจังไหนด่านี่แม่คอยเลื่อมบอกเจ้าไปยั่งวาอันเบิกเคลืนหนี่ลดอ้อยมันแหรนยหลายขั้นผุดเอาไปมามันแหรีต่าเสาไฟฟ้าแรงสูงหักไม่มีบ้านนี้ไฟฟ้ามันดับสนิล่องสีมันก็ต่ายยั่งวะบ้นนี้เขาสารคอกัเบิดสน อ่ะก็เลยว่าีล่องสีสีเข่าสันดกแม่เข่าสารเบิร์ดเข่าสารเบิดแม่ีอย่างีอยงมันก็มาเบิดจเมือกกูมาจะหจักล่ะว่าเป็นตำหนดอกไฟว่าอามีเงดเสียหาแม่กันเอาชลูกเป็นเงินก็ไดล่ะเนี่เป็นเงินปัไปอีกล่ะอยจะแมนมึนบอกจังไดก็บว่าไปจักเทียอันพูจะมาเบิรดกน ทานยาแม่แม่มายามทั <oh> ้งเทียกกระชิ่งให้แม่ไปเมื่อเป่าจะรู้แม่เลยอันมุนมั่งของเขาเงื่อนทั้งหลังกับของเขาเงื่อนข้ามไข่บกกาปกอนดอกแม่ให้แม่ไปสากก่อนจะมานอนโยเลื่อมเสื้อข้ามไข่จะดูโดดแม่ไปไปไปไปจะยวว่าเวาอันนั่นอันนี้และถอดไข่ปลาไม่หยั่งเสียหาดอกแม่ ข้านเจ้าอยากได้เจ้าก็ไปเอาน้ำลูกสาวหล่าเจ้าผู้ข้องมู้นผุนเด้อเมเด้อเขาไม่มันทุกสิ่งทุกอย่างพอจะนั้นอยู่นีบอมีแนวเสียให้เจ้าดอกแม่ยหิลูกลูกลูกเอาโซดาดาเป็นหยังจังเบาจังชันลูกเอข้าวเบ้าจังสี่แล้วก็คอยพ่ได้มีอย่างนั้นมใจแท้ลูกเป็นจังสีดอกเจ้พ่อพอไปยำยามตามข้าวทรงข้าวทรงหน้าแมีนี่ แม่บอกขึ้นมาลูกของแม่จิเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือปนี้ลูกเอ่ยเมาหยดยอมลืมตายเมากายลืมแก่เทาโบล้านเบาเอ่ยผัดเดียงเจ้ามาได้เป็นเคยเศรษฐีเจ้าผลืญแม่เลี้ยงเพิ่งได้พบประสบเห็นถือว่าเว้นเช่นขอบบอทอดยังตนเจ้าล่ะถือว่าแม่เลี้ยงลูกเมาที เน่่เน่เจ้ายจะมาเบมาให้อยู่ดีแมียคอยบอกเจ้าดีดีคอยบอกกับเจ้าดีดีแล้วแมีเอ้ยเจ้าก็เก็บสิ่งเก็บของไปโหลดเป็นอย่างเจ้าสีมาให้ลำรีลำไล่อยู่นีอยังมาเห็นใต่ขนมาเห็นเห็นอย่างเขาสิบ้านเจ้าเป็นแมีย่อยไอ้คนจีรุกไอ้ตัวนั่นมึงสารลูกเจ้านี่ยเสียกขาดเสียกขาดโชคกับโป๊กโชคกับโปก เธ่พื่อว่าใส่เหยียบขีงว่าขีไว้มาเปียนเียนเรเม่บ่มีเม่จังมาขอพัดขอเปี่ยนนั่นล่ะมีนาได้สิให้เจ้าดอกคอยเฝ้าดีดีแล้วกว่าเอาเ้าให้เนีมันอีเด้อ่อยศบอกไงเด้อเออว่าต้องหให้แม่รอ่นคอยบอกไปเจ้าไปรถเจ้าเฝ้าลำนี้ําไรคอยไม่ชอรู้ไหมมว่าแม่ลูกแม่รูนี่แม่ก็มาไปเสอยุนี่ละแต่ว่ามันหนมาหอดย่ามขมึงขอยศมึงเจ้าดอก ขอโทษหลายคุณเศรษเอ้ผู้ขาดจํานูกพิษย้ำม่าไหววาใส่ข่อยได้ไหมกูเคยบใจยิแ่เพ่งเขาว่าอีพ่ออีแม่เปลี่ยนไปเฮอใจยิ้ยิ้กันหมดนี่กูได้ไม่เห็นมม่ลูกเปลี่ยนไปเ้ด่าข่อยอีกแล้วไม่ใช่อันนี้ด่าข่อยอีกแล้วสภาพพดบ่าเกิดทอยู่กับแม่ก็คือว่าเป็นจังสี ไปต่อจะมาชรมลำดีลำได้ย่นินิหมาไซนี่จักาบบเราไม่มองยูน้าเจ้านะขันว่าจังสันลูกผุนเฒ่าูุเพีมีแจกความสุขเดิมประการนี้จะแล้วความสุขป่ะการขันจะไล่ไพ่ถูกจะแผ่วพานผู้ลูกชายใล้สุ้หล่เโยมปู่ฟังปู่ฟังบันมันบอกขันแล้วโตใหญ่เมยใหญ่เอ้ยให่สิจิตตามไปหาโตน่อยเบิรกนา สิขันท่าแนวบ่ยุ่มสวยตอนนี้แม่ของเจ้านั่นก็เทาลายแล้วสังซ้ำเนาแม่อีกเถือในที่สุดเจ้าบกการับแม่คอบไว้เก่งใจเมียแม่เห็นใจเจ้าแทนแม่ไปแล้วให้อยู่ดีเดิงละไปโหลดมันมีน้ำหูน้ำตาดําดอกเพ่นี่ยงี้แข็งแห่งแียงกาเสนู่ท่างปุ่น เมืองจันทจะข้ามพื่นกับพระามพางแม่แล้วน่รู้ฮิบไปต่อจะมาสร้างมาล่าอยู่นี่พักแม่เสด็จหอดมือได้ดอกไปว่าลำลีลำไล่ลำข้านผู้เเ่ามาพี่ไงแม่ยาเจ้ามพี่ถามเอาตังเงินก็นหอกกระเดะเท ม่ไดื้อปนนพ่นเป็นไง่พ่าะไงบันบัวขาวผมเจ้าอยากได้เมื่อแม่จันที่มาหมดความหวังจากลูกชายยายก็จึงบายหน้าไปหาลูกสาวคนน้องทั้งเดินไปทั้งคิดไปอยู่ในใจว่าถ้าถูกขับไรเป็นครั้งที่สองยายจำต้องกลับบ้านเดิม คุณย่อเอ้ยนาบตั้งต่แม่จันที่มาเท่าเดินทั้งมากเกินลาอ่อนแล้วแนวลูกใต้บ่หลับเลี่ยงมาหาลาผู้ลูกสาวไม่เลกาเอ้ยลูกสาวล้าเพื่อนจดจำเสียงม่านดาของเจ้าใดหรือบอกเมียหิ้วเก่าเอากระดอแม่เมืม่อยล้ากระดอบเมาแม่เนีลูกคำ มันลิกาเอ้ยมาอับเม น, นลูกเอว่าเมติวัดเสมฝ่ายว่ามันลิกาผู้เศษที่นี่ารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะญาติขัดมิตรกับพี่โสระตาบัดนี้เห็นมันดาของตนได้ยินยายชะลาแก่กคนหนึ่งมาเรียกอยู่หน้าบ้านนืกอรำการจึงออกไปดือจึงรู้ว่า เป็นมารดาของตนจึงพูดทักทานดอกไปว่าปาติโทปาติโต้ผู้ใดไม่ไงเห็นมาง่วงหวกกวามเงียบยุนาบ้านบาลุ่งผลังจ้าม่นเป็นผู้เต่าปานใดได้ยินงแต่เสียงเอินบอลเมื่อนี่มาเลิกกาเสียกไปบึงกันนายุนาบ้านเมื่อเสียงผู้ใดมาเอิญอยู่นี่เอาแม่ตัวนั้นแม่แม่มาเิกกาเอ้ย เอ้ยตัวบ้านมาลอ้าวเมอีน่ะอ้าวเม่เจาไปจังไหนมาจังไหนนางล้ก่อนเม่นางล้ก้อนถืออย่างมาลุกมาลังมาจังสี่นี่นางล้มนางล้บาต้องเข้าไปในบ้านดอกเป้ากันช่วยนี่ละเม่เอเอามันเด็ดหอนมาสั่งนอ้าวนางล้มเม่มันเด็ดมันนอนอยู่เจ้าพักแห้งสะกวนเศร้าสะกวน ที oh ่มีจังใดก็เจ่าคอยบ้ากันแม่อืมไังลูกเอาล่ะแม่เอ้ยเจ้านั่นสะไปจังไหนมาจังใดเจ้านั่นไปจังไหนเล็ดเองงอนเจ้าไปจังไหนมาจังไดแม่นผู้ใดบอกทั้งเจ้ามางอนไข่นั่นแม่เมย์ก็ถามคนมาเอังลูกถามผู้ใดถามคนมาเลยๆอังลูก ออตามคนมาเจ้าน่ะนายกายมาหยังบ้านบักโซโย่ใกล้ๆเป็นหยังเจ้าจังผ่านมาเจ้าไปเราที่บ้านบักโซตาสวดนั่ะนั่งเอ้เมื่อเปินบ้านบักโซแม่ก็ไปมาแล้วเขาบ้เต็มใจเสียอย่างแม่หรอกล่ะไปมาแล้วก็ไอยู่น้าเขาที่ว่ายังจะอยู่กับมัน เสียจะเจ้าทนั้นสิกันเลี้ยงแม่บาน้างแม่ไปมาละละบ่ายอายนั่งไปแล้วก็ไอยู่น้าเขาแต่แม่เขาป่ะยูดเขาว่าเจ้าอยู่สิว่ายังจะอยู่กับแม่นางเอ้ยเดี๋ยนี่บกโซมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนละละเขาอ่างว่าพอเท่าแม่เท่าเขาบระยูดขันแม่สิมาอยู่น้านี่อยู่บไดาดอกยันเขาว่าได้บัดชั้น คอยยังว่าล่ะคอยอยงว่าล่ะบักโสมันเป็นคนบอดีแม่เอื้อแม่แต่ก่อยไปหานันแล้วก็ไรก่อยหนีมาคอยว่าตีไปถามเรื่องเจ้านั่นล่ะแต่ว่าบักสโสมันบ้าฟังข่มก่อยมะไล่ก่อยหนีมาแล้วมันกับพดีจังส่ล่ะเจ้าไปหาแล้วแล้วแล้วกับเรี่องเจ้าว่าติแมงกับเรื่องหลงลูกเลยคอยกินเข่าก็กะไม่เกิงแต่ว่าตั้งใดเขาก็พักเปลี่ยนผานิ้เปิ้เข้าไปย้อมหลับ ต่างๆหน้าๆว่าพอเท่าแม่เท่า่ายู่ข่อยว่ากาเอาให้เจา้าดอกแม่อันมุ่นมั่งของเขาเงินทางหลังเกของเขาเงินค้ามข่อยบากาปอนดอกแม่ว่าจันให้จะไปสกปรศีมานอนอยู่นําข่อยอยู่บ่ใดดอกแม่เอ้ยไปไปสุกอบกขอก่อยกอดไว้จันป่าติโตมันวะดีพระนันติเมงประนันนะูกจ้มาจ้งเป็นแต่วักโซนี<ร>แม่ก้อนเหยี่ยมมาแม็เป็นตระกูลจันทาน อยากอายคนแม้ว่าขั้นอายกให้แม่ขอเงินขอผ้าพ่อจะพัดให้เปลี่ยนเนื้อไม่ได้ดอกมันเป็นของของปู่ของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคอยประกาศให้เจ้าดอกบ่ใช่แม่ก็จังใหญมากนี่ล่ะโอมันเป็นให้พนนั้นละวันทเจ้ามาเมื่อนี่า็หมายจะว่าจังใหญ่ละแม่คอยลูกเอ้ยเป็นยัง ค่อยอายก็บ่ยเห็นค่อยนองก็บ่ยเห็นก็ค่อเห็นตัน้องเป็นกัญญาคือกันแมงส่งเข้าส่งน้ำเ้ียามทามข้าวแม่เนสมัปามาป่อยแม่ชิมบ่คิดน้าแม่ทะลุก่อยกระเค็ตต่น้ำแหละแม่เอ้ยแต่ว่าก็ว่าแม่บักสนั่นเลาไปกัเลบไปกัวกรยกก่อยมาเป็นโรกสะพเพลนโรกสะพ้เสตีกักรยกกันนั่นยากกันนี้จ๋าว่ายากอีหยังบวแม่ บาทที่นี่เจ้ากะเลวบาทิมาอยู่น้ำก่อยบาตเองนม่ก็เก็บสิ่งเก็บของเท่าที่มีอยู่นี่ล่ะลูกเก็บมาอย่างไรก็รอกกระแนงแต่ถุงกระสอบขนาดก็พ่อเด็กใส่ผ่าใส่แพ่มาใส่มาอีอย่างเนาะเป็นสังเดชสมักถึงมะป่าแม่ทะลุอ้าวลากันยังตันนี่แม่เลยฟังก่อนว่าสต่ก่อนเดี๋ยวนี้นั่นบักโสมันกับบาเลี้ยงเจ้า มาที่นี่คอยสบอิจอบฟังเด้แม่จังได้ไอ้บยังใครแม่ยูนําใีลนี่เอล้วมาลิกานไหพอยสวรรค์กันสวรรค์รำงโอ้ยพ่อปันตาสีแตกบางเย็นกําบางดอกกาว ออน่เออยานเตเกิดน้อเรือร่อนเกิดเตก่ อ, อนย่อนคว่ำจอน่ะโอ้ยน้อเมเ ม, มีที่บุญมายึดจังได้บอก ว, ว, วันนวลน่ะรู้ว่าคนมันนานั่นน่นั้นตังนอกเตก่อนน่ะโอ้ยน้อเมปวดมาไหลามากเมีงคนิงป่อยอยู่ว่าเร้า คำน้เอเมฆเคยตอนบอกบ่ดอกเต่าคำน่งจำจอนนั้นเมื่อตุงบุตตัวตุ่ตอนนั้นตอยคำเมตอนไปนั้เอนอุ้างจะริ่มยิงเป็นคำริงที่จำเนี่น้คำมาอคำมเมีนั้ลูกยังหัเกินใส่เก่าบอกวันบ่ไดไปจันทร์ลองเมฆเอ๋ย เอ็มนาเอือลกยังโยกเกินใสเก่าวายอยยังเงินทว่าเอมนาเอือจังวะดีดอกจัวลายบ๊ยไปดอกตุมก่อนน่ะยังจะทุกขกันเมือไหวจัวที่บังเต็บใจเมียลอยนาเมีนางเงิน โ อ, โอ้ยเมีมาเวียนจนนาลานาน่นเออเมีมาเวียนจนนาลามันลิกาจนเต็งเี็มน า, นนาน แต่แม่เก ok ี um, e va va ่นวเบิ่งตีดวกว่ามันบ่าตุกตองนะเออหลวงว่ามันว่าตูกตองอยากจะบอว่าเลี้ยงกวานนะเออพีที่ตีมน้อยนองกันลามกวาเพียงคนเดียวนะสีเกี่ยวอย่างนกันทั้งใจชวนว่ามันนี่การณ์นะ เออสีเกี่ยวอย่างดอกตั้งฉันพี่บอกขันน้องขอยทำนะมันนี่กะวากันเรียงกัคือกันนกกะเปี่ยมนะทีเกี่ยวเนีเอิมแต่ก็ไม่ที่มาไปแต่พัวเดียวดอกเมียก ออน้โอ้ยน้อเมีแนวกินมากกว่าไรเขี่ยวอนน้าแนวกินมากกว่าไรเขี่ยวผัวไดบ้านสีแดงเอีงน้าแนวกินแกงบาต้นสดกันลวนหลือทิงวันนอ้นนาลวนมากคนมันหนาใจบางใยตั้งตอน้าตั้งตอน้ ตัวมีถูกแล้วว่าเร็วตัวมีถูกแล้วว่าเร็วกันลืมสามว่ามีตูนยันเพียงเขาว่าตอนปะหน่อยมีหลงโอ อ๋อน้ำเอาละเมนังเลยแนวมันเกี้ยงกะเือเี้ยงผัวพุ่นขันเม่นมุม่นกะมุ่นปโป่งเมนันสีไมอยู่้องเป็นไปบ่อใดะแนวนั้ น, นกะเมะบะเม่นคองเจ้าสิไมอยู่น้ำไข่กะยู่บ่อใดดอกแมมตั้งแต่บักโสตาสวดบักโสดอ่ำปื้มันกะ บ, บะเลียงเจา้าให้เ จ, าจ้ากินเบิ้งกะกากนันทอไข่เป็นล่องเป็นนงเพลิน คอยไปลูกสาวหลาเจ้าแท่นีสุย่ำลูกใช่ไงจูบตัวเองคอยเลี้ยงเจ้าวะใดดอกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลาคือกลูกลูกลูกลูกันกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูกลูมลนกลูกลูกัูกลูลูกเูกลูกลูกลยกลนกลูขลูกลูกลูกลูกล้กลูกลูกลูกลูเลูกลูกลากลูกลูาลูกลูกลู ยาตะวาวตั er away, ้งต um ันลูกเอ้ยยาตะว่าตัดพี่ตัดน้องกันท้อมาตัดสิว่าจังไหนแม่เอ้ยคอยไปตามก้าวเจ้าคอยไปตามเล่าดีนันแล่าหลให้คอยว่านี่แม่คอยกระสูนตั้งแต่พุ่นแล้ว่อยจัง่อยพ่เรียงเจ้าพลียงบอบเป็นเห็นบอบพร้อมสะย่อมต่าทั้งแม่จนติละก็เหลือจะเจ้าทอดนั้นของให้ลูกกิดดูเดนมลิกา ถ้ามาเฝ้ากับแม่คือทะลุกับเฝ้าคือจังเสละน่าจให้แม่คือต่อผู้ใหญ่ลาบก็บเกิดต้อบกโสนั่นเองเจ้าสิมาเกิดต้อก่อยเย็นหยังก่อยกับมาเป็นลูกไพ่เพลินเดี๋ยวนี่ตาลเศรษฐีพอผู้แม่ยากคอยแล้วกับประยูงผัวกคอยแล้วกับ่ระยูงเราไปเก็บเงินดอกพัฒน์ด็กลับมาอยู่ลูกกึ่เพันสิมาพ่อลูกลงลงลงลงลงลไปให้แม่ไปใส่ Wha เอาเจ้าสิไปเส่เจ้ากลไปเจ้ที่หลักกับกบุญจักหลับฟังเจ้าสิไปบานเก่าคนเดีเจ้าก็าขึ้นไปเจ้าแลนมาตายใช่แม่ก้าวขึ้นบานจะชนท้องบานเก่าหาเอ้ยเอาข้าลูกเก่ามัอยากหลหาลูกชายก็เลี้ยงบอดเจ้าจะมาให้ยุนี่นะแม่น้ำตามื่อตีย้อยล้นี่ว่าแม่อยู่นําบอดา อิหลากระแตงของให้แม่ทลุกก่อนอื่นแม่ขอกินข้าวน้าพราิกแห่งอย่างกลับบานเน่กินข้าวแล้วมีเงื่นขํามําแกลพาพ่อนท้นสบายมีข้าวสารอาหารแห่งมีผี่เกือเกือบปลามีแนวดอิลากระแต ง, องหอยแ ม, ม่ทลุแม่กะจิเดินตั้งไปกินท่าอยู่บานซ้ำลูกนันตาอย่างแ ม, ม่ดอก แต่งแต่ลูกแต่งให้แม่แต่งแม่บระยูให้เป็นตัวทวงความเจริญของลูกดอกฟังเบ้างไน้ไหมไงป่านมาเล้วมัดสางไว้เหนียรลดแต่งเอาันนั่นแต่งเอาอันนี้เจ้าสิมาพรท่นได้กินข่าเจ้าก็มากินตั้งแต่มาหนทางคนบะมี่เจ้ากลหาขอกินเป็นอย่างเจ้าสิมากินน้ำก้อยก้อกะบ่หมี่ดอกอันไหนอันไหนก้อยกะพ่ะท่านได้หนึ่งได้เค็้ได้สางได้แปงซ้ํา เดี๋ยวนี่ห็นข่อยเห็นโยโพเดียวซ้ำแม่เอ้ยข่อยพามีหยั่งเสียเจ้าดอกเสียปลาาพรนเพลนนั่นกอกับพมีดอกเจ้านั่นน่วงมหยังเสเสียขาดขาดสุกกะปกะสุกะปกไปจิเบตกะไปเจ้ได้ห้ถมันลีกาก็สงเาลูกพูนใหญ่กงกน็อะกันน่ากกยังวะไอศอมันกาางอนจแม่โพเดียวบางอนเลี้ยงสิลูก มาว่าวกแม่คือใจรักเสีเลี้ยงเจ้าไปหยั่งเลี่ยงไปเลี่ยงมากกะทมาตายใจเงี้ยนคอยคอยากตอนนั้นตัวไบ่แม่อยู่นําก็คือว่าแต่งเข่าขอเงินทองให้แม่เนลูกก็ยังว่าพ่อแม่ใดไปกินสืบมือซ้ําลูกตายยามเนี่ก็ยังว่ามันบ่ตั้นใดเหตุมันบ่ตั้นไดมีเจ้าได้ยินบ่แม่ตาเอ้ยถูกบ่มีเสื้อผ้าฝาเงินดีพ่อหลีอยู่ลูกเอ้ย ถูกบมี่เข้าอยู่ทองสินอลีอยู่จังไหนปากทองของแม่กะมี่ไม่รบมี่กะสัมวัตถ่โลดพอได้กินอ่ะต้องมาเน้นดีไปเจ้ายะสามารถเบ้ายูนี่อยเบ้าดีน้าเจ้าบ้าแห้งเลยได้จาเนี่ยซ่บ้านหัวก่อยไม่เห็นนี่แล้วเห็นสิขัดก้อนนี่ได้ลูกลุไปบัดนี มาใหญ่หนิแม่้่าลุกขึ้นมันกปงเต้วเล้วตั้ anger? งบานเลยกระจายไปไปย่ามาใหญ่หนิย่าเปล่าคนให้ Cắt lời thầm thực nhạc cổ là ไอมยเจ้าจะไม่ย <finden> ั่ย <deve> น <ck> ี่บึงน้ำปากจะขอแค่ละเอียดตส ข้าลกเราเฝ้าไปเบิ้งมันหายยังยนีป้าเจ้าของมันหดีแต่ห้งามสันติน้ำมากใจยำยงเดตตาสมตขึ้นเือสงกาเอลูกขึ้นังลกขึ้นังพูดไม่รู้เรื่อง ขอานั่นขอนี้ขอกินเก่าขอกินน้ำเป็นหยังจะมากินมาตาบ้านพุ่นเล่นมาไต้ยังกะพี่ไปแม่โยมเมอ้ยฉันจารณาเบาอดฟังหยียบวางกระโดดขึ้นบ่ถึงตามตับบางโต ยาเลี้ยงกายบากจนพเนยจนมันพ่นองและเลือดบเพียังขันย้อนายมา รมองเห็นเอยบเมีาเโอ้ยมาหลายตัวคนบาดเจ็บยอมมานักเอาบ่เป็นไม่ใ ไปเลยจะไปชมยูนี่นะโอ้หมากัดข้อดี ยังก็ได้เงากัางหายอาตายมันเพื่อข้าร้องโอ้ยเงาบุกผาทางถุงก็อปัสสุงบุกมาบักแดงเต่าไว้เพื่อกินตามมูขอพาดิน ก็ว่างใจไปสุดอยกกันกหมจนเบิลเลี้ยงกมาวงนะ ไปลูกเกินลูกเกินเก็บสิ่งเก็บขวางประยุทธ์นไม่ออกบ้นบานว่าเขาพุ่น <c oughs> อ้ยใวา <c oughs> ก, กาดุจกงเวลาาดอกเก็บกันดอกเดีเจ้าว่าอย่านติแม่แม่ไมงาาว่เขาผยังบอกว่าฝ้าวเก็บสิ่งเก็บขวงา <c oughs> งฟ่าว่าไปยอปตอนนี้ตกบอลบล ลลกแม้เนขอะอมาแล้วความจนเสมอไมีอย่างกระดูกนางมันติดเรือนเพียหลายเดืเพียจ แต่ทหลังเป็นลมตายอีกซะนอนเนีนย่ยลูกหลานเมยมอาปากขึ้นากสเก่าเฝ้าไปรูเสียใจเด้อกันอยากเขาก็ะแลนเข่ากว่า like, หลวงพ่อหน่อยพุ่นลูกหลานกเฝ้าปิดประตูลัดมียนี้ออกไปก่อนจะปิดประตู ขอใลําค่าพอเขาให้แม่จักกันในลาบอกว่าเรนเขาว่าหลวงพอน้อยเจ้าจักไปขอเขาให้แม่จัดพันพอาไม่ล้วแม่ไม่ใช่แม่เลยกินแล้วแม่เอยเทาไปัง่เราบอกินกับว่าเป็นหยังดอกหายลูกก็จิปิดประตูปิดลูกลานเดียวลูกยาบปิดลูกน Oi, h Có khao k h nam lục nơi phật t i b l เจ้าเอ้ยต้องนางชุกสร้างมาบ้านบักขันข้าขอเมลอนข้าเลี้ยงน้อแม่ย้จัลได้นางหันได t o n i n set on how I o h e n body d o n h oh, oh, oh, oh, oh, แม่กินน้ำลูกก่อนบ้าได้ ก, กินกันต่อคอยการเลย้่อยบ่อินน่มน้ำเก็บบ่ถึงอีกสาม่าสิบาดเป็นหนึ่สองไม่ใหญ่ พี่บอบมองนองบอดสนจ้างเมียนสนละวโว้ยยอมปู้ฝังทางไทยเมียนลูกไทยเดนลบเป็นอลูกอยเนยบ่อปเน Lukang yai c h a n น me kan m a n b a y u k u neudai k a i m i งบะมีข่าวเสี้ยวหย่างปปดทัง้งชีพเนี่ยโ ม, มอโอ้ยลูกฟังนางยุดนี่เห็นใจคอยกับปอนมาเนี่ยเด้อ Là còn เ ó gấu p ้ u phuá, đọc pha, g า u phu khà, đ ọ ham sơn cấm bơ. Là mẹ chỉ tròn thôi, bao ai mang, ai nà. ขอให้เงเงืมคือแสงมานิจูคขมือโอ้ยแม่บกพปวกเจ้าขอหน่อยท่อมีดยาทำมือทมื อ, อให้มีสุขหล่นฟ้า เจ้าพูคาดวนส้มนั่งบงม่ติจนทตุกขันสุตายกตม พ่อว่าเร็วเดินกับแถวเมืองบาลจันตะค้มกำบา้านเจ้าโอ้ยไปตามสิ้นของผู้เจ้าให้สองเจ้าคง จ, าจะเลิศเหลือคำเลย ว่าแล้วกัจังกรมนั่งย่างขอทานตายไม่ใหญ่ละเพื่อประทังชีวิตสวประทังชีวามื โอ้ยอปอแม่มงินหลังนี้มีคนอยู่บ่า น, น้อให้ผูกขาดายตันขอท่านเข้าสารขอท่านเงินผ่าอน ท, น, ทนสวัยได้อยู่ได้กินสืบมือส้ำตายเนื้อทนหกขาเป็นคนไรายาดขาดมิดไม่มีพี่มีน้องบม่มีลูกบม่มีเตา ขอน้ำพ่อน้ำแม่ผู้ใจบุญในทอนขอหเนือเดิมผิดน nice ้องพอเล็บแม่ปูกปังกันหา้ายจานขอทเนื้ออเดิ เมืเอ่อขอคนสิบขอคนหน้าตามสัตย์จะมูจเจ้าสิทนันโซ โอ้ยบอกพอถูกบอกพอ่จนดอกเมียเอ้ยขันมาทา น, นในยายจันน้อมอเนียอันนี้สองเจ้าทานในเจอนีสิสู้คำบาดถูกจนเดบเอบีเดินมากังได้รับปีน้อง ยายจันเที่ยวมาขอเมียมาตุ้งตาอได้โนออกปากขอบพราะอายทำเอาไปเล่าในย่ายเล่าฟ้าหนีจากตุ้ยคอยแน่ตุ้ยคอยสร้างเล่าว่ะ คำ ท, ทานสติเจา้าขันเจ้าเอาพูลมนังม่งเป็นใหญ่โอ้ยอดพ่อทานเนี่ยเป็นอย่างอดพ่อทานเนี่ยทนหนา่ารอตายเบี่ยงเบน ย้อนเมื่เอ่ยเพื่นว่าทานเก่าเลยนาไม่ทานเมื่อดอกยญ้ามิวเดิมเม่เดิมทานเงินคำสินทรัยเจ้าทานในคนถูกผูกข้ขาดเงินดอกของไจนะ ย, ย้ายกันขอไปเลยผู้ใจดีเพิ่นจางหายอีกเงนินคำตันข้าวป โอ้ยกระเริญมพรทุกทุกทางเจ้าทานแล้วใไอวงสีเดเบเดงมาจังได้ละปะญัญญายไม่ใหญ่ปุ่นัางอยู่กำอมหวางคือจังมิดที่ลีแต่น้อง ไม่ยงายเอ้ยปู่มาทำตาในเป็นปัดใจลายบาทตัวของฉันมีบ่ม่เนียวไอ้สีแถมพรอนรลอกย่อนทรงเดิมเม่เดิมโอ้ยสมประสงค์เกิดเท่าใจตั้งจะย่างด้ ท่านบาทหนึ่งให้ไหลเคลื่อนเข้าเป็นสาวเดิมเมีเดิมนท่าน้าวให้ไหลเขึ้นเข้าเป็นลอยผู้ท่าน้อยให้ไหลเคลื่อนเข้าเป็นพันเดิมมีเดิมนะท่านพันให้ไหลเคลนเข้าเป็นมื่อนขั้นผู้ใดบอดท่านเมือ น, นี่ให้ยังเหลืออยู่ท่อเก่า น, นั่นเ ขันบอยักยั่งคอเกา้ากลางไอฝ่ามาทานอันย้ายไกยไปแล้วเจ้าสิบอใดทานไพบอทานมือนี่ให้ยังเหลืออยู่สาเก้าขันสือเลีหากเก้าให้ไปออก บาสิสุนพุ Four ่นเดือโอ้ยานโอง ขอไปเรื่อยผู้ใจบุญเป็นกลางไงเงินคำาปันเข้าปอนจะเริอนพอลทุกทุกข้าเจ้าท่านแล้วไห้หูสีเดอรเมีดึงเฮงสาธุเด้อไอ้มีสุขในชาตินี้และชาติหน้าให้สุขสมเดอรเมืยเดึองจะได้จบคา ดอกดังฉันในตอนเี้ยงมีลูกดีขอให้ดีดีด้วยหลานหลายคนในวัางงน่าเมือนเดิมอ่ะอยาได้เป็นคื อ, อยายฉันที่มาตายบ่มีผู้ทีเก็บกระดูกกลางคือขา้ามาที่ก้าวไกล ไม่ย้ายเอื้องย้าเลี้ยงไก่เอาไว้จนมันใหญ่บ่มีคันอัศจรรย์ลายเดีโวลดบ่มีตัวกันวางนะโอ้ยเ้าตามของเมืองบานแมลงมาจนลูกใหญ่น้อยเป็นอย่างน้อลูกบ่เอาใจใส่ภาพเม่ดทิมบ่ับเบียงเวลาท้าวบ่ละมี แม่ยายเอ๋ยยายจันจนรูแกงใ น, นเรื่องปินาและแยายตกาลูกมีสุกเป็ทุกคนบ่เมียางในที่สุดแม่ยายเอ๋ยยายจันแล้วเดินทางไกลยเลยล้ว ความทลาลายิ้ลา l l เมื่อมนต์เบื่อโลกผ่านเลื่องซลซัสโลกบาหวาโลกความดเ่ซลซัส แ บ, บ้าก็ เลยลาความชลาปัดลาอ่อนอีกหลงไพ่เลนแสกสอนนอนตายแห่งหยกเคึองธาตุเวิตแมจันธิมานเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าตั้งสองกนสั่งสองหนุกเต่าจนได้ดิบได้ดีคือได้เป็นไพ่เป็นเคยของเศรษฐีหลังจากเป็นไพ่เป็นเคยของเศรษฐีแล้วก็ให้ยขามมันสัญญาสิทรงเข่าสรงน้ำแมจถุกเดือนบ่อห้ขาดออนโสดถ่ายแล้วกะว่าเหตุตามคํามมันสัญญาจนทําให้แมจันธิมานันได้ออกติดตามหาลูกชายกับลูกสาว แต่ว่าเล่าก็ผสมความมุงมาดบารถนาพญัตเมยโยมหาลูกไส้ลูกไส้กับปฏิเสธต่างๆน้าหน้าว่ามีความจําเป็นภาษามาที่เอาแมยไว้ในบ้านในเงื่อนแม่แต่เข่าดําข่าภาสามารถที่จะปอนในผู้เป็นมัรดาได้ท่านได้กินได้เอาบนโซนใต้เราก็เลยไปหาผู้เป็นลูกสาวลาภปุษวามบัณฑริกาบัลิกานั่นก็เป็นเจ่นเดียวเอากานกับผู้เป็นพี่ชาย ตอนสดายเราก็เล่ยละหกละเหินเดินทางวังสิเอาชีวิตบรนปายนันเอาไปตายยุบานเก่าเมืองเดิมขึ้นเมื่อปัญจตาขามอแต่ว่าด้วยไหวชะเล่กแกชะลาของเร่านันเราก็เลยบ่ไปหอดสาดอกยายนเอาไปหอดแกเคืงทางเลืตายจ่อยหลดบอยั่งพญัดไม่โยมอาชีวิตเมจันทิมาอขออยู่ขอท่านจินไปวังสิเอาชีวิตไปตายยุบานเก่าแต่ว่ากลับไปบ่หอดตายยุบเคืงทางขาดใจตาย ลูกทั้งสองของแม่จันทิมาบันไดเห็นล้มหายใจข้างสุดท้ายของผู้เป็นม่านดาบานี่เป็นจังไรชีวิตบรรปายของโสระตะกับมัลิกาผู้เป็นลูกชายลูกสาวคนโยมหลังจากเศรษฐีทั้งสองต่อกลลได้ทราบว่าเมรมหานันโสระตะกะไลนีมัลิกานันกะไลนีเมื่อเศรษฐีทั้งสองต่อกลลโหดดังนั้นแล้วอากะเล่ปดออกจากการเป็นไผ่เป็นเคยของเศรษฐีไลนีออกจากบ้านจากเขื่อนไป อาไปเอามาโสรตะกามันลิกาก็เลยได้รับผลเว่นผลกรรมที่จะขอกระทําไว้กับกลายเป็นคนขอท่านขออยู่ขอจินไปขอใสก็บามีคนให้คนอภปีกคนอัคตันยูบะมีดโปรไดให้มีแต่เข่าอก่อนไหลโโหอก่อนไหลดึกก็เลยเตลิดเปิดเปล่งไปอย่างบะมีจุดหมายปลายทางนี่แหละปัญญาเปยมนิท่านญาเลียงไก่บะมีตกขันอระเปียบันเมจันทที่มาเลียงลูกเลียงเต่าทั้งสองคน ผลสุดท้ายแล้วเป็นจังไดรเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าได้ดิบได้ดีแล้วลูกเต่าบัดบอสนองอคุณของกุเป็นบิดามันดาแม่มหาผัดไหล่สัมคุณโยมบ่ได้เลี้ยงแม่ตายกับเขาเน่ากับขาได้นั่มในท่านเลี้ยงนี้อามาเตียนสติเตียนจิตเตียนใจคุณระบุคุณรธิดาปูถ้ำนาทีอในการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพิ่นว่าเลี้ยงพ่อแม่ให้เป็นถรม นำบิดานำมันห้ถึงสุกยาให้มีหมองหมัวคุณพ่อแม่นีเป็นบากรรมเกิ่งธรณีอยากเสียเอาหินศิลามาสั่งซาบมีได้แม่ดาวผู้เขากรบเป็นปากกาเขียนขีดนำทะเลเป็นนำมือเขาสุเมนเอามาเป็นปากกาพัลนาถึงคุณโนบะอาจพัลนาไดเป็น่าคุณของพ่อของแม่นามันหลายอยากติดจากพัลนาออกมาเป็นไร้หลักอักษรใดประหยัดมิโยมเพราะฉะนั้นผู้ไหนได้ฟังนิท่านเร่ยงนี้แล้ว อาเตียจะจำไปเป็นกติสอนใจสิ่งใดดีสิ่งใดงามให้ปัญญาไปย่อมจำเอาเปราะพืชปฏิบัติตจำเอาไปบอกลูกบอกเต่าในส่วนติบดีบอกงามนั่นอาเยียบเส้นหนามยำเส้นต่อมไปอหรือหากเว้นว่าการแสดงเทศแสดงธรรมือนีเจ้าหัวลูกเจ้าหัวหลานทั้งสามลูกสามองค์นั่นแสดงมากผสมบทสมบัติหรือบ๊วยเลาะสนอโสดหรือผสมบุญเบียบเบียบจังใดนั่น อาตมาผ่าก็ขออภัยจากพญามิโยมหรือหากแม่นวาบางค่ำอาบางค่ำเบาค่ำจากค่ำใดเป็นค่ำมศุภาพเป็นค่ำที่หยาบผสมทิมมสมณะสาลุกจะพูดจาออกไปอาตมาผ่าก็ขออภัยจากพญามิโยมให้ถือว่าแสดงไปสมบทสมบาตเอาถือวานิท่านเลี้ยงยาเลี้ยงไก่ปรมิตกขันกระจบล่องเพียงทอนนี้ จบลงเพียงตอนนี้เอาตีของให้เนยโน้มเป็นว่าแอบบ่มีเสียงของซ้ำมุงตีเองหลดล่ะ